50 languages. Thirty. Please. At t h restaurant. 2 May. I want a e juice, please. I want orange j a क lemon क ขอน้ำมะเขือเทศค่ะเอกรัมมันาดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะมุเช่เรดไวนจเดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะมุเช่ท์่ดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ मुझे एक बोतल शराब चाहिए। मुझे एक बोतल जेकिट चाहिए। कुन चॉप प्ला में क क्या तुम्हें मछली पसंद है? कुन चॉप नेव बुआ में का? क्या तुम्हें गाय का ग ो श ् ट पसंद है? कुन चॉप नेव मू में का? क्या तुम्हें खिंजीर का गोष्ट पसंद है? ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มุ झ ेเจ็บไม่ไร่กุศลเกิดใดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดมุ झ ेเจ็บหนึ่ง plate สับดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานมุ झ ेเจ छ ऐसा ला दे อาลาเดนจึสเม่จยาดาเดร คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะแกะเย่แอบข้าวเปลือेไปสคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะแกะเย่แอนูเดลกับสัตว์เลคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะแกะเย่แอบแอลูกับสेตว์รสชาติไม่อร่อย อาหารเย็นชืดขาน้าที่ริฉันไม่ได้สั่งจานนี้มไมรด่าฉันไม่ได้สั่งจานนี้ฉันไ่ด้สัานนี้ฉันไม่ได้สั่งจานนี้ไม่ไส่งจานี่ไดัานนี้ฉัด้สั่งจนั่ดงานนีม่ได้ั่านไม่ส่าี่ด